สำหรับในตอนนี้อาตมาก็จะขอถวายพระครในเรื่องของในในตอนของศรัทธาจริตสำหรับศรัทธาจริตนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจิตใจเขาบุคคลใดหนักในด้านศรัทธาจะมีกำไรมากแต่ว่าท่านนี้ก็เว้นไว้แต่ ว, ว่าจะต้องมีผู้นำในทางที่ดี คนที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิทรนตรัตว์เป็นคนเชื่อง่ายในเมื่อท่านพูดนั้นเป็นคนเชื่อง่ายถ้าใครจงไปในทางที่ผิดก็ผิดง่ายถ้าพูดจงจงไปในทางที่ถูกก็ถูกง่ายถ้าจงไปหาความเลวก็เลวง่ายจงไปหาความดีก็ดีง่าย นี่ถ้าหากว่าท่านผู้ชักผู้จงผู้แนะผู้นำเป็นผู้ที่ส่งความดีอยู่เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าก็จะสามารถดึงอาบคุณผู้มีรมทรงสัธาจริตเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายฉะนั้นสำหรับท่านที่สรงศรัทธาจริตอยู่ อาตมาเห็นว่าเป็นเจริญที่มีกำไรมาก <c oughs> เพราะว่าเขาสามารถจะเข้าถึงฌานสมาบัติเข้าถึงมักงถึงผลตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเรื่อเบื้องสูงได้โดดไม่ยากเพราะว่าเป็นคนเชื่ออยู่แล้วตอนนี้ความเชื่อที่จะต้องแก่เพราะว่าความเชื่อนี้มีได้สองสถาน คือเชื่อในทางที่ผิดเขาก็เชื่อในทางที่ถูกก็เชื่อการเชื่อในทางที่ผิดใครแนะนำราการใดมาก็เชื่อทันทีอันนี้องค์สมเด็จสมมหาโมลีกล่าวว่าเป็นอธิมโมกขสาัานการน้อมใจเชื่อเป็นของไม่ดีมักจะเดินทางไปในสายที่ผิดได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตร ยังทรงแนะนําไว้ว่าถ้าจะเชื่อก็ชวรใช้ปัญญาช่วยพิจารณาด้วยที่ตามพระบาลีบอกว่าต้องใช้สัพหะสัมปยุตไปด้วยปัญญาคําว่าสัมปยุตก็แปลว่าประกอบเอาปัญญาช่วยเชื่อด้วยใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตัวปัญญาตัวนี้น่าจะเป็นคุถ้จริต ถ้าคนที่มีความเชื่อด้วยรู้จักใช้ปัญญาประกอบด้วยก็ต้องถือว่าเป็นจริตบวกคือมีความเชื่ออยู่เป็นศรัทธาจริตมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารนาร่วมด้วยเป็นพุทธจริตในเหตุเต็มสองราการนี้มีการร่วมกันแบบนี้บุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีกำไรามากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า ท่านผู้นั้นจะเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายนี่ในฐานะที่เขาเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วองค์สมเด็จพระบัิตแก้วก็ป้องกันความเชื่อนั้นไม่หลงไปในทางที่ผิดดังนั้นท่านที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตยึงทรงแนะนำให้ใช้กรรมาฐานหกอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ทางที่ดีแล้วก็ควรจะใช้หมดทั้งหกอย่างเพราะว่าถ้าใช้กรรมทานครบทั้งหกอย่าง <c oughs> ก็เป็นพระโสดาบันชั้นดีเพราะว่าพระโสดาบันก็พระสธีธาคามีองสำเรจ็จปัิญาสีทรงตรัสว่าท่านทั้งสองนี้จะมีอารมณ์จิต หนักไปในด้านของอาธิเสนาศิษฐานี้สำหรับบุคคลที่มีศรัทธาจริตองส์สมเด็จระสัมมาสัพพุตธเจา้าทรงแนะนำกรรมฐานไม่หกอย่างคือหนึ่งพุทานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สองธรรมานุสติ นึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์นี่เป็นกรรมฐานคิดสาสังขานุสตินึกโคถึงความดีของพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์สศีลานุสตินึกถึงความดีของการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์สียาคานุสตินึกถึงทางการบริจาค การเสลทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์ความสุขคขนส่วนรวมเป็นอารมณ์อย่างนี้เป็นห้าแล้วหกเทวดานุสติมุกถึงคุณงามความดีคือคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเป็นอารมณ์ได้แก่เีลิและอุตตปะนี่ถ้ามาพิจารณาในกรรมฐ า, านทั้งหกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำว่าท่านที่มีศรัทธาจริต ก็ควรจะมีอารมณ์จิตหนักอยู่ในกรรมฐานละหกประการนี่าานาานสําหรับพระกรรมฐานละหกประการนี้เช่นพุทธานุาานนานสติกรรมฐ า, านที่มาสอนกันเป็นสองแบบแบบที่เป็นปกติก็้ภาวนาพวกพุทธโธบ้างสัมมาระหัง บ, บ้างเป็นต้นอย่างนี้เป็นการทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิ แต่เนื้อแท้จริงๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ทําแบบสบายคือให้เป็นการใช้ปัญญาแทนนี่เป็นเนื้อแท้ของกรรมฐานกอนี้องค์สมเด็จพระจินสีให้ใช้ปัญญาเพื่อทั้งพุทธานุสติโกดีธรรมานุสติโกดีสังขานุสติโกดีศีลานณุสติโกดี ยาคานุสติก็ดีเทวดานุสติก็ดีเนืเ้อแท้จริงๆของกรรมฐานทั้งหมดไม่ใช่เป็นกรรมฐานที่ทรงอารมณ์ปักคือไม่ได้ส่งอารมณ์แนบสนิทเหมือนกับานาปานุสติรฤทธสินเป็นกรรมฐานสําหรับอารมณ์คิดเช่นเดียวกับกายะตาลุสติและสุภกรรมฐานต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิดพิจารณาถึงความดี พิจารณาดูว่าองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าดีตรงไหนทําไมเราจึงต้องยกย่องสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นคนดีและเป็นพระดี <c oughs> ท่านเป็นผู้นําที่ดีก็ทั้งนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้คนทั้งหลายปราศจากทุกข์ให้พยายามจะแสวงหาความสุขในด้านต่างๆ ทั้งในด้านโลกในด้านธรรมโดยจริยาของพระพุทธเจ้ามีสามอย่างหนึ่งพุทธถาจริยาทรงประพุทธใจฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้จักรักษาความสุขสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในปัจจุบันในฐานะที่เป็นชาวโลกชั้นดี สอนคนให้รู้จักความดีทำตนให้เป็นเทวดาสอนคนให้ทำความดีสูงไปกว่านั้นทำตนให้เข้าไปถึงความเป็นสมนั่นก็โดยทีสุดสอนให้ตัดความทุกข์เสียทั้งหมดคือตัดความเกิดตัดความแก่ตัดความเจ็บตัดความตายตัดความพัดพราดเกิขอละขอชอบใจโดยทำใจของตนให้เข้าถึงปณิพนัน นี่ความดีขององสมเด็จพระบิชกแต่มาในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในฐานะพุทธาจาริยาทำอย่างนี้นี่องค์สมเด็จพระจินัสีก็มีจริยาอย่างหนึ่งคือโลกาธาจริยาทรงประพฤติในเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอันนี้พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเห็นว่าบุคคลประเภทนี้ จะเริ่มแนะนำขั้นสวรรค์ขั้นพมทธมโลกขันิพานไม่มีผลองสมเด็จพระทศพลก็ทรงแนะนำให้ปฏิบัติตนให้เป็นความสุขในฐานะครว่าที่ดีเช่นในที่ปฏิบัติเป็นข้อวัดปฏิบัติสำหรับครว่าดโดยตรงเพื่อมีความเป็นอยู่เป็นสุขข้อที่สามยาจัตาจริยา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำหรือทรงเคารพยญาดให้เป็นสุขนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีจริยาสามประการเป็นประโยชน์ใหญ่กับชาวโลกอย่างยิ่งยา่าดถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญในแต่คุณแห่งการเกิดก็ทรงฉันน้องคุณแห่งพระบรมญาติของพระองค์ให้มีความสุข แในในคราวที่มันมาบวิดูดพระจะเข้าไปถึงข้าพระประโยชน์ญาติองค์สมเด็จพระเบรมโลกขนาถก็ทรงสเสด็จไปนั่งอยู่ข้างทางก็งเป็นการห้ามปรามแต่ว่าเป็นการห้ามปรามโดยเฉพาะอาการดุสนีนิ่งเฉยเฉยไม่ได้พูดห้ามเ <c oughs> มื่อวิดูแต่พระเปลี่ยนองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ข้างทาง ก็สเสด็จลวงจากคอช้างไปถวายมาเสกการแล้วก็พากองทัพ ก, กลับครั้งที่สองไปอีกก็ทรงทําแบบนั้นทิธุถภะกรกลับครั้งที่สามเขาจะยกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรห็นว่าเป็นกฎของกรรมที่เป็นอาโกศนเดิมเจะให้ผลแก่หมู่พระประโยชน์บางท่านเรื่องกฎของกรรมนี้องค์สมเด็จพระวิชิตแ า, านไม่ ไม่มีการต้านทานเพราะเป็นของที่ห้ามปรามไม่ได้ต้องปล่อยไปตามกรรมเพราะว่าระที่สามไมดูแต่พะยกทับไปพระองค์ก็ส่งยับยัง้งไม่ไปประทับนั่งในที่เดิมเป็นการห้ามปรามเพราะว่าถือว่ากฎของกรรมห้ามไม่ได้แล้วในเมื่อหมูพระประโยชนญาติทั้งหลายไม่มีความเรื่องสายพระองค์ เห็นว่าพระองค์เป็นเด็กกว่าตอนที่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมู่พระประโยชน์ญาติมีพระราชบิดาเป็นต้นองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงทําปาฏิหาริย์ให้ปรากฏจนหมู่พระประโยุธยญาตทั้งหลายเหล่านั้นพากันละประยศไม่เทีตัวว่าดีกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้ามีประโยชน์กัมูเขาประโยชน์ยากที่มีประโยชน์กับชาวโลกก็ตามที่ถวายพระพนมาแล้วเมื่อสอนใได้ที่ปฏิบัติพระพกนี้สอนขั้นสวรรค์ขั้นภพขั้นอิปา น, น, น, น, นไม่ได้ก็ให้เขารู้จักรักษาความศักในฐานะที่เป็นผูชน้ชุนคนธรรมาดาเป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องมีประโยชน์กับชาวโลกมาก <c oughs> และคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธมีแบบภาคถ้าจะสรุปลมให้สั้นลงมาก็ได้เป็นสามอย่างคือหนึ่งทรงสั่งสอนให้ละความชั่วสองเมะละความชั่วแล้วก็ประพฤติความดีสามทำความดีแล้วทำจิตให้ปลอดใส ให้มีอารมณ์ใจไม่ไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายสิ่งกันและกันไม่คิดทำลายล้างสิ่งกันและกัน <c oughs> นี่จอเห็นว่าความดีเขาององสมเด็จประสงทันทรงสมเด็จไปสอนพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นต้องนอนกลางดินจิงกลางทราย ที่อยู่ไม่มีความแน่นอนมีป่าเป็นที่อาศัยมีถ้าเป็นที่อาศัยอยู่นอนกลางแจ้งนอนโขนต้นไม้แม้ว่าพระวรากายจะลำ บ, บากเพียงใดก็ตามทีองค์สมเด็จพระจินทรสีไม่ทรงท้อถอยอันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ควรจะระลึกนึกถึง ว่าคนที่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนพระองค์มีความศกดิ์สิทมีผลสักดิ์สิในชาติปัจจุบันไม่ต้องหมายถึงสัมภราอย่างครบและนี้มาพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านพระธรรมพระองค์ทรงนําพระธรรมตั้งแต่ต่ํำถึงสูงมาสอนบรรดาทานพุทธบริษัทต า, าตามความต้องการ บุคคลใดที่มีวิสัยพอจะไปนิพพานได้ก็สอนสายนิพพานบุคคลใดจะไปพรมได้ก็สอนธรรมะระดับพรมบุคคลใดจะไปสวรรค์ได้ก็สอนธรรมะระดับสวรรค์ถ้าบุคคลใดไม่มีวิสัยจะเป็นสวรรค์ได้ก็สอนให้มีความทรงอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ให้มีความสุขทั้งในชาติปัจจุบนันและสัม ร, รารจะคบ ให้หลีกเลี่ยงส่วนแห่งความทุกข์สี่ประการคือหนึ่งนรกสองเ3รตสามอสุรกาย4ีสัตว์เดชาันนี่พระธรรมคำสั่งสอนของค์สมเด็จพระพิติตมานถารับและปฏิบัติตามจะมีผลตามนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงให้สนใจใครวนในพระธรรมของพระองค์เป็นสำคัญและสสำหรับพระอารียสสองซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระพิชิตมา ที่เรียกกันว่าอนุพุทธะเพราะว่าท่านผูนี้จัตติตรู้ตามพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าส่งสอนให้ละความชั่วท่านก็ละความชั่วให้ประพฤติความดีท่านก็ประพฤติความดีให้ทาใจให้ผ่องแผ่วใสเป็นแก้วไม่มีกิเลสเจียรตท่านก็ปฏิบัติตามกระแสวัสธรรมทศานาขององค์สมเด็จพระทศกล ไม่ละถอยไม่ท้อถอยไม่เกี่ยงข้านทำจนสำเร็จมรรคผลและคนนำพระธรรมคำสั่งสอนเขา อ, องค์สำเร็จระทดสผลมาสอนบรรดาทานพุทธบริษัทไม่สะสมทรัพสมบัติไม่มกักมากิการมารมไม่ติดอยู่ในโล ก, กีวิสัยทำใจให้ปลอดจากโลกธระททั้งแปดประการ หมายความมาโลกกระทำแปลประกลาดเขาทุกใจของท่านก็จริงแหละแต่ทว่าท่านไม่ยอมรับนักถีจะมายังไงก็ช่างจะไปยังไงก็ช่างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อคนเกิดมาในโลกแล้วหลบโลกกระทำไม่พ้นเมื่อเขาให้ลาบก็พอใจในการให้ของผู้ให้แต่ก็ไม่ติดใจในลาบ เมื่อลาบเสื่อมสลายตัวไปก็ไม่เสียใจไม่ตกใจเมื่อเขามอบหมายให้ยศท่านก็รับยศตามความพอใจเป็นการเจริญสถาของบุคคลผู้ให้ถ้าเขาถอดถอนยศกลับไปก็ไม่ตกใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่เมาในยศแต่หากกลัวอารมณ์มีความสุขในด้านของโลภีวิสัยท่านก็ถือว่าเป็นอนัตตา มันไม่สบอยู่ไม่ติดอยู่ในความสบ ข, ของโลกแ้่ความเบียดเบียนอันเป็นปัจจัยเกิดความทุกเกิดจากชาวโลกท่านก็วางเฉยไปรู้เบียาที่เรียกว่าสังขารเขาาุเปคาญาณทําจิตสบายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคํานินทาเกิดขึ้นท่านก็เฉย ก็ถือว่านาทิโลกเก อ, อนินทิโตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกนินทานอย่างหนักท่านไม่หวั่นไหวในคํานินทานใครจะมาสรรเสริญก็ไม่ยินดีแต่ก็ไม่ปฏิเสธเพื่รักษากําลังใจของบุคคลผู้สรรเสริญเตือนเนื้อแท้ของน้ำใจไม่ได้ยินดีไปตามนั้น เขาทราบอยู่ว่าเราจะดีหรือจะชั่วไม่ใช่ถ้อยคําวาจาเขาบุคคลพวกเราจะดีจะชั่วได้เกิดจากการกระทําขาตนเองเป็นสําคัญและนำพระธรรมคาสั่งสอนองค์สมเด็จพระปฐมกวัตมาสอนพุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างนี่ชื่อว่าเป็นความดีของแบบสงอ์ที่คนจะปฏิบัติตามสําหรับศีล คนที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีความเคารพมีความเคารพในพระธรรมก็ดีมีความเคารพในพระสงฆ์ก็ดีเมื่อประว ร, ะ ร, ร, ะราณนาตัวว่าพุทธทางพลังกระฉาม่เปลี่ยนโตเลี้ยงเองแปลเป็นใจความมาข้าย เ, เจ้าขอถึงพระพุทธเจา้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เป็นที่สุด พระพุทธเจ้าก็ดีประสงค์ก็ดีได้กล่าวว่าถ้าท่านต้องการเราเป็นที่พึง่งเราขอให้ที่พึ่งอันดับแรกกับท่านเพื่อหนึ่งท่านจงเป็นผู้มีจิตเมตตาปราณีมีความสงสารคือมีความรักมีความสงสารเพื่อนเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันอย่าเป็นคนหรือเป็นสายก็ตามไม่มีความสําคัญ เรารักเขาเสมอไปด้วยเรารักชีวิตของเราเราพอใจในการเกือ่อกโลเขาเสมอในการเกือ่อกูลตัวเราถ้าไม่เกิดมิสยัยไม่ประหัตประหารไม่ประทุษร้ายเสี่ยงกันอะไกันเมื่อการประหัตประหารการประทุสร้ายเสี่งกันอะกั น, ปปก น, กนเป็นปัจจัยนำ ม, มาเสี่งความทุกข์เขาก็ทุกเราก็ทุกเราทำร้ายเขาเขาก็โม่งทำรายเราไม่มีความสุข ถ้าเรามีความรักกันมีความสางสารเกือ้อกูลเช่นกันแล้กันเจอหน้ากันเมื่อไรความสูงใจมีเมื่อนั้นเห็นด้านศีลชีลานุสติกรรมฐ า, านนึกไว้ถ้าต่อไปจงเคารพในสิทธิทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมีความสันโดษคำว่าสันโดษนี้ไม่ไดแ้แปลว่าขี้เกียจคือยินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบทำ ไม่ใช่ว่ายินดีเฉพาะทรัพย์ที่เพิ่งมีอยู่ถ้าแปลอย่างนี้ไม่ตรงกับความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระเบรมรุกข์ให้ยินดีเฉพาะทรัพย์ที่เราหามาได้เองโดยชอบธรรมไม่ลักไม่ขโมยไม่ยือ้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงเขาถ้าทําอย่างนี้เราก็มีความสุขบุคคลอื่นก็มีความสุขเพราะเราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต จะไปที่ไหนก็มีแต่มิตรศัตรูหายากเมื่อมีมิตรมากศัตรูหายากเสื่อนใดความสุขกายสุขใจก็เกิดขึ้นกับเราพ้อดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าท่องการท่านเป็นดีเพึ่งก็จงอย่าละเมิดในสิทธิความรักคือสตรีหรือสามีผู้รักเป็นที่รักของบุคคลอืน่น เรียกว่าจะเมื่อในการเมยสมิชาาจารย์ทำชูลูกเขาเมียเขาหัวเขาคนในปกครองของเขาคำว่าการเมยนี้ไม่ได้หมายเฉพาะพัญญาของเขาสามีของเขาไม่ใช่อย่างนั้นลูกเขาหลานเขาคนในปกครองของเขาทั้งหมดถ้าต้องการก็ไม่รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองใี้ก่อน ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองก็หมายความต้องมีโทษจิตในด่านกามเมสุมิฉาจารย์มี่คนรักเรารักเราไม่ต้องการให้ใครมาร่วมเกินคนที่เราปกครองฉันใดเราก็ไม่ทํากับคนอื่นเช่นนั้นนี่เรากับท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็จะิมีกันมีความรักซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุข ในข้อดีสี่องค์สมเด็จพระมหาโมนีทรงสัตพระสงฆ์นำมาบอกกัมมัดาท่านพุทธบริษัทว่าจงรักษาสัจวาจาคือความจริว้อย่าพูดคําเท็จท่านี้พวกเราเองเราก็ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นพูดเท็จเมื่อไม่พูดเท็จแล้วก็จงอย่าพูดคำหยาบเสีด้วยเพราะวาจาหยาบถึงแม้พูดจริงแต่เป็นวาจาหยาบเป็นที่สะเทือนใจเราไม่ต้องการฉันใด ท่านผู้มีการรับฟังก็ไม่ต้องการฉันนั้นแล้วก็จงยาใช้วาจาส่อเสียดยุยง ส, งส่ริม้เขาแตกราวกันแอบน่าความอิจฉาด้สิยาเรียบปรามาสสิ่งอะไรกันเราไม่ต้องการอย่างนั้นชาว บ, บ้านเขาก็ไม่ต้องการแล้วจงยาใช้วาจาที่ไรประโยชน์เพ้อเจ้อเหลวไหลหาประโยชน์อะไรไม่ได้ วาจาเช่นนั้นเป็นที่สะเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังเราไม่ต้องการรับฟังเขาก็ไม่ต้องการรับฟังต่างคนต่างทรงวาจาในด้านของความดีคือพูดจริงตามความเป็นจริงใช้วาจาอ่อนหวานคือไม่กล่าววาจาหยาบใช้วาจาที่เป็นสุภาพสิทธิ์ไม่มีจิตอิจฉาหรือต่าโสเสียสิ่งอะไกัน จะไม่ใช้วาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์จะพูดแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เรากับเขาต่างคนต่างไม่มีโทษรักกันจนวันตายมีความสุขข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าปกติประสาทของเรามันก็ไม่เคยดีอยู่แล้ว องสมเด็จพระปิตรแก้วกล่าวว่าถ้าเอาของเมืนเมาเข้ามาใช้อกปสมเขาอีกสติสัมปชัญญะมันก็จะฟั่นเฟือนสามารถจะทำความชั่วได้ทุกอย่างแม้แต่พ่อกับแม่ก็สามารถจะฆ่าได้ทั้งท่านที่ท่านอีคณใหญ่ก็ความเมาจากนำเมาทำลายประสาททำไายสติสัมปชัญญะ ดังนั้นองค์สมเด็จตั้งสมาสัมเพรียเจ้าจงทรงแนะนําว่าเจ้าต้องการให้เราเป็นที่พึ่งจงปฏิบัติในกฎข้าพและการนี้ถ้าปฏิบัติปฏิบัติได้ดีผลนี้เพลิงได้ก็คือสีเลนสุขจริงยันติเมื่อปฏิบัติได้ในชาตินี้ท่านจะมีความสุขสุขเพระเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภยัยมีมิตรมากกว่ามีศัตรู สีเลนะโพกับสมถาเพื่อส่งความดีอย่างนี้ได้ทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่จะไม่สลายตัวไปในเหตุที่ไม่สมควรทรัพย์จะเยืเอกเ ย, นะย็นสีเลนะนิ้ติยัาติสีนจะเป็นปัใจจัยให้มีน้ำใจสงบหมดอารมณ์ฟุ้ซ่านหมดอา ร, รมณ์ความเป็นทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลานี่พูดถึงในชาติปัจจุบัน นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพิิตามานทรงแนะนำให้ปฏิบัติในสีร า, น, า, านุสติจมรฐานสีนี้ใช้าอารมณ์คิดพิจารณาใครคนไม่เสมอ